กำลังใจกําลังสติปัญญากําลังทุนทรัพย์อย่างเต็มความสามารถทำงานโดยไม่เห็นใจความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนอกจากกําแพงแล้วพระเจดีหินวัดป่ากรุงก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นอาจริยบูชาแด่องค์หลวงปู่ศรีมหาวีโรนวัดประชาคมวนารามโดยจาลองมาจากเจดีบูโรพุทโธประเทศอินโดนีเซียพระจารย์ทองอินกตปุญโญ พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดสาขาวัดประชาคมวนารามตลอดจนคณะศิษย์ญาติศิษย์ได้พร้อมใจร่วมกันสร้างพระเจดีหินวัดป่ากุงขึ้นเพื่อเป็นการบูชาคุณแด่องค์หลวงปู่ศรีมหาวีโรโดยใช้หินทรายธรรมชาติก่อสร้างแกะสลักเรื่องราวพระพุทธเจ้าและลวดลายทั้งภายนอกและภายในของพระเจดีเริ่มดําเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2547งบประมาณในการก่อสร้าง100ล้านบาท ขนาดความสูง19เมตรกว้าง49เมตรมีทั้งหมด3ชั้นชั้นที่1ใช้เป็นที่ประกอบพิธีสังคกรรมและเป็นที่ประชุมสงฆ์ชั้นที่2เป็นพิพิธภัณฑ์และประวัติของหลวงปู่ศรีมหาวีโรชั้นที่3บรรจุพระพุทธรูปพระผงของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ผู้มิกิศธาบริจาคยอดพระเจดีหินทำเป็นสเสวตชัตรทองคาแท้น้าหนัก101บาทภายนอกชั้นที่1 กำหนดให้เป็นภาพเจสลักหินธรรมชาติในเรื่องพระเวสสันดรชาดกภายนอกชั้นที่สองกำหนดให้เป็นภาพเจสลักหินธรรมชาติเรื่องพุทธประวัติภายนอกชั้นที่3ามกำหนดให้เป็นภาพเจสลักหินธรรมชาติเรื่องพระพุทธชัยมงคล